สัมผัสสยองเพื่อนเฮียนสวัสดีครับผมชื่อแน่เป็นคนลาวครับวันนี้มีประสบการณ์จะมาแบ่งปันให้ฟังเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงห้าสิบนาที ผมเพิ่งเลิกงานและกลับมาถึงบ้านเพื่อนสนิทของผมที่ชื่อเก่งก็โทรมาชวนไปกินข้าวแล้วยังบอกอีกว่าได้นัดเพื่อนคนอื่นๆที่ชื่อนัดเจมและเพื่อนฝาแฝดซึ่งเป็นเพื่อนในกลุ่มมาไว้หมดแล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันตั้งแต่ตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยพวกผมสนิทกันมากไปไหนไปกันสามารถพูดคุยกันได้แทบจะทุกเรื่อง พอเข้าสู่วัยทํางานพวกเราก็เริ่มจะห่างๆกันไปแต่ก็ยังติดต่อพูดคุยและนัดรวมกลุ่มเพื่อนมากินข้าวสังสรรค์กันบ้างผมเห็นว่าไม่ได้เจอกับเพื่อนๆมานานและยังไม่ได้กินมือเทียงด้วยจึงตอบเก่งไปว่าผมจะไปด้วยแต่ขอตัวไปนอนพักสักงีบก่อนเพราะง่วงมากถ้าผมตื่นแล้วสักประมาณบ่ายโมงสิบห้า ผมจะโทรกลับเพื่อถามว่าจะให้ไปเจอกันที่ไหนแล้วถึงจะตามไปหรืออีกแผนหนึ่งก็ให้เก่งมาหาผมที่บ้านแล้วเดินทางไปพร้อมกันเลยพอเก่งตอบว่าตกลงผมก็วางสายเดินเข้าห้องไปอาบน้ำต่อจากนั้นก็ตั้งนาฬิกาปลุกแล้วเอ็นกายนอนพักสักงีบไม่นานผมก็สะดุ้งตื่นและรู้สึกว่า มีคนมานั่งที่ปลายเตียงผมพยายามเปิดตามองให้ชัดขึ้นแต่ก็ลืมตาได้ไม่เต็มทีผมเงิมงงำถามว่าเก่งแล้ววะทำไมมาเร็วจังกูเพิ่งจะล้มตัวนอนขอกูนอนอีกแป๊บนึงเก่งไม่ตอบอะไรผมจึงพลิกตัวตะแคงก็เห็นว่าเก่งยืนขึ้นเขาก้าวขาขึ้นมาบนเตียงของผม ผมนึกว่าเก่งจะขึ้นมานอนด้วยก็เลยขยับให้แต่ผมกลับขยับตัวไม่ได้ตอนนั้นผมง่วงมากจึงหลับตาไม่สนใจและกำลังจะนอนต่อแต่แล้วผมก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะรู้สึกเหมือนโดนถีบแรงมากซึ่งเป็นวิธีที่เพื่อนในกลุ่มของเราใช้หยอกเพื่อปลุกกันให้ตื่น แรงทีบนั้นทำให้ผมตื่นเต็มตาและงุดหงิดมากจึงหันไปเพื่อจะดาได้เก่งแต่พอหันไปก็ไม่เห็นเก่งอยู่ในห้องแล้วผมลุกจากเตียงอย่างหัวเสียไปเปลี่ยนเสือ้อผ้าเพื่อจะออกไปเจอเพื่อนเพื่อนพอแต่งตัวเสร็จเพื่อนของผมที่ชื่อเจมก็โทรมาผมคิดว่าเขาคงจะโทรมาตามให้ออกไปกินข้าวจึงรับสาย แล้วพูดด้วยความงดหงิดว่าเออกูกำลังจะออกไปเนี่ยเจมก็ถามกลับด้วยน้ำเสียงงงงงว่าเฮ้ยมึงจะไปไหนวะผมจึงตอบว่าก็จะไปกินข้าวกับพวกมึงไงสั่งอะไรไว้รอกูด้วยกูกำลังจะไปไอ้เก่งมารอนานแล้วกูจะนอนพักสักหน่อยก็ไม่แน่นอนพอผมพูดจบเจมก็ร้องเฮย อุทานออกมาเสียงดังมากผมเลยบอกว่าจะตกใจทาไมวะแค่นี้นะเดี๋ยวเจอกันขณะที่ผมกำลังจะวางสายเจมส์ก็ร้องบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งใจฟังให้ดีนะแนนไอเก่งเพิ่งเสียเมื่อวานตอนสองทุ่มสี่สิบผมรีบพูดสวนกลับไปว่ากูไม่เชื่อว่าพวกมึงเล่นอะไรอยู่ๆมาแช่งไอเก่งมัน เมื่อกี้ไอ้เก่งยังโทรหาแล้วมาปลุกกู้อยู่เลยแค่นี้นะเดี๋ยวเจอกันแล้วผมก็วางสายของเจมไปสักพักเพื่อนผมที่ชื่อนัดก็โทรมาแล้วพูดแบบเดียวกันกับเจมนัดยังบอกอีกว่าถ้าผมไม่เชื่อให้โทรไปถามแม่ของเก่งดูก็ได้แล้วนัดก็วางสายไปผมมือไม้สั่นด้วยความตกใจ กับข่าวร้ายที่ได้ยินไม่ต้องโทรไปหาแม่ของเก่งผมก็เชื่อตั้งแต่นัดโทรมาบอกแล้วเพราะนัดเป็นคนจริงจังไม่เอาเรื่องคอขาดบาดตายมาอําเล่นแน่ๆพอนึกถึงเก่งเพื่อนที่ตายไปแล้วก็ทำให้ผมตัวแข็งและร้องไห้แทบบ้าอยู่คนเดียวสักพักเพื่อนที่เป็นฝาแฝดชื่อแอมกับเอมก็มาหาผมที่บ้าน เพื่อมารับไปงานศพของเก่งทั้งสองคิดว่าผมคงรู้เรื่องของเก่งแล้วทั้งที่จริงแล้วผมเพิ่งรู้ข่าวการตายของเก่งเมื่อสักครู่นี้เองผมกลับไปเปลี่ยนชุดดำแล้วออกจากบ้านไปกับพวกฝ้าแฝดในขณะที่กำลังเดินทางไปอยู่นั้นผมก็น้ำตาซึมไปตลอดทางจนกระทั่งถึงงานศพของเก่งผมก็เล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟังว่า วันนี้เก่งโทรมาชวนผมไปกินข้าวและมาปลุกผมถึงเตียงเพื่อนๆต่างร้องเสียงหลงด้วยความตกใจเพราะเก่งตายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเรื่องนี้ทำเอาทุกคนหลอนไปตามๆกันเก่งเป็นคนรักเพื่อนๆในกลุ่มมากไม่แน่ว่าหลังจากนี้เก่งอาจจะไปหาใครสักคนในกลุ่มอีกก็ได้ ห้องพักผีดุหลังจากที่เราเรียนจบและหางานทำได้เรากับแฟนก็ไปเช่าหอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนก่อนที่จะตัดสินใจเช่าเราทั้งสองคนก็ได้เข้ามาสำรวจห้องไว้แล้วห้องนี้ดูใหม่สะอาดและน่าอยู่มากจึงตัดสินใจได้ไม่ยากเลย ที่จะทำสัญญาเช่าและย้ายของเข้ามาอยู่ในคืนแรกที่ย้ายเข้ามาเราไหวบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนแล้วก็พักได้อย่างปกติสุขแต่พอมาถึงวันที่สองขณะที่เรากําลังส่องกระจกที่บานประตูตู้เสือ้อผ้าเราก็ได้ยินเสียงไม้แขวนเสื้อที่อยู่ภายในตู้รูดกระทบกับราวเหล็กไปมาเราเรีบเปิดตู้ออกมาดู ก็ไม่พบอะไรผิดปกติเวลาผ่านไปจนถึงตอนเที่ยงเราก็ได้ยินเสียงดังมาจากตู้เสื้อผ้าอีมันเหมือนกับว่ามีอะไรอยู่ในตู้แล้วมันขยับจนทําให้ตู้เสื้อผ้าสั่นอย่างแรงเมื่อเราเดินไปเปิดตู้ดูก็ไม่พบอะไรจนมาถึงคืนที่สคืนนั้นเราไปทํางานกะ ด, ดึกแฟนของเราจึงนอนอยู่ในห้องคนเดียว ขณะที่แฟนของเรากำลังนอนหลับอยู่จูจูเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะรู้สึกเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่ข้างเตียงเมื่อเขาหันไปก็เห็นเงาดำกำลังยืนมองอยู่ที่ตรงนั้นทันใดนั้นเองร่างนั้นก็กระโจนขึ้นมาทับตัวของเขาและมีท่าทางเหมือนกำลังโกรธมากแฟนของเราพยายามขยับตัวแต่ก็ไม่เป็นผล ตอนนั้นเขากลัวมากจึงห้องบทสวดต่างๆเท่าที่จะนึกได้จนเงาดำค่อยๆลอยออกจากตัวของเขาแล้วหายไปพอเขาเริ่มตั้งสติได้ก็คิดว่าเขาอาจจะละเมอแล้วฝันไปเองจึงทำใจแล้วนอนหลับต่อพอถึงตอนเช้าแฟนของเราก็แต่งตัวแล้วออกไปเรียนพอเรากลับมาจากที่ทำงาน ก็เข้ามาในห้องเราเห็นตู้เสื้อผ้าตู้เดิมนั้นสั้นอีกแล้วครั้งนี้มันทำให้เราตกใจมากเพราะมันเริ่มไม่ปกติเราไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปใกล้ตู้เสื้อผ้าเลยจึงหันหน้าหลบจากตู้นั้นแล้วเดินไปที่เตียงตัดสินใจนั่งหยุดรงปลายเตียงเพ่งมองประตูตู้เสื้อผ้าก็เห็นว่าประตูของตู้เสื้อผ้า มันปิดไม่สนิทแต่ก่อนหน้านี้เราก็เห็นมันปิดสนิท ด, ดีแล้คงไม่ได้ตาฝาดไปแน่ๆสักพักประตูของตู้มันก็ค่อยๆแง้มออกมาแล้วสิ่งที่เราเห็นหยุดตรงนั้นก็คือเงาดารูปร่างลักษณะเหมือนผู้ชายตัวใหญ่มากเขากำลังเดินออกมาจากตู้เสือ้อผ้าแล้วมันก็หยุดหันมามองหน้าเรา เราตกใจชอ็อกนั่งนิง่งอึ้งตัวเกรง็งขยับตัวไม่ได้รู้สึกได้เลยวา่าผมของเราตั้งชันขึ้นมาความกลัวแผ่ซ่านไปตามสันหลังของเราครอดีที่เงานั้นหันหน้ากลับไปแล้วก็เดินต่อหายเข้าไปในผนังห้องอีกฝากหนึ่งฮพสติเรากลับคืนมาและเริ่มขยับร่างกายได้อีกครั้ง เราก็ทิ้งตัวลงนอนด้วยความหมดแรงจากการทำงานและเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้แต่เราก็ยังเพ่งสายตาไปที่ตู้เสื้อผ้าตลอดและพูดในใจว่าตังคนต่างอยู่เรามาดีเดี๋ยวจะทำบุญไปให้เรานอนอยู่ในท่านั้นจ้องมองตู้เสื้อผ้าจนพลอยหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีก็อยู่ในสภาพกึ่งหลับกึ่งตื่น ภายในห้องมีเพียงแสงไฟสลัวเราลุกขึ้นเพื่อจะไปเปิดไฟแต่กลับไม่มีเรี่ยวแรงจึงทำให้ล้มตกลงไปอยู่ข้างเตียงในสภาพนอนหงายเรารู้สึกว่าขยับตัวไม่ได้ทำได้เพียงกรอกตาไปมาแล้วเราก็ต้องตกใจเพราะเห็นร่างผู้หญิงไม่มีหัวนอนอยู่บนเตียงของเรา ในขณะที่เรากําลังตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นและไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปดีก็มีเงาดําของผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากตู้เสือ้อผ้าเงาดํานั้นเดินใกล้เข้ามาเหมือนจะเข้ามาจับตัวเราเรากลัวมากพยายามนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเริ่มท่องคาถาขอให้ท่านช่วยสักพักก็หลุดออกจากผวังนั้นได้ ภาพเงาดําและร่างผู้หญิงที่เห็นก่อนหน้านั้นก็หายไปพร้อมๆกับเรียวแรงของเราที่กลับคืนมาพอเราลุกขึ้นได้จึงรีบวิ่งไปหาเจ้าของหอเพื่อทําเรื่องขอเปลี่ยนห้องแต่เจ้าของหอบอกว่าห้องเต็มหมดทุกห้องแล้วเราแปลกใจมากเพราะเมื่อวานนี้เรายังเห็นห้องว่างอยู่อีกตั้งสามห้องเมื่อห้องเต็มหมดแล้ว จึงตัดสินใจออกไปหาห้องที่หอพักอื่นก็ปรากฏว่าห้องเต็มทุกที่เลยเราจึงจำเป็นต้องอยู่ห้องนี้ต่อไปด้วยความหวาดกลัวตกดึกของวันเดียวกันนั้นเองคืนนี้เราไม่ได้เข้าการดึกจึงนอนอยู่ที่ห้องกับแฟนของเราในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่นั้นก็ฝันว่ามีคนคนหนึ่งมาหาเราแล้วบอกให้ย้ายออก จูจ่ๆก็เหมือนมีอะไรพุ่งตรงเข้ามายังหลังของเราอย่างรวดเร็วเรารู้สึกเจ็บมากจนสะดุ้งตื่นขึ้นพอตื่นขึ้นมาเรายังคงรู้สึกเจ็บที่กลางหลังอยู่เลยเอามือจับดูก็สัมผัสได้เหมือนกับเป็นรอยอะไรสักอย่างยาวๆอยู่ที่หลังของเราพอไปส่องกระจกก็เห็นว่ามันคล้ายกับเป็นรอยเล็บมือ คืนนั้นเราเปิดไฟนอนและนอนไม่หลับเลยทั้งคืนเรากลุ้มใจมากจึงตัดสินใจไปหาร่างทรงในตอนเช้าเมื่อไปเจอร่างทรงและทำพิธีดูดวงชะตาแล้วร่างทรงนั้นก็บอกเราว่าในห้องของเรามีวิญญาณคอยรองควานอยู่ให้ทำบุญให้กับวิญญาณเหล่านั้นและจุดธูปบอกวิญ ญ, ญาณ น, นั้นว่า ขอให้ต่างคนต่างอยู่อย่ามาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยพอทำพิธีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางกลับมาที่ห้องพักเราสบายใจขึ้นมาคิดว่าเรื่องร้ายๆคงจะจบไปแล้วแต่แล้วในคืนนั้นเวลาประมาณสี่ทุมเราก็ฝันอีกว่ามีคนมาบอกวิธีแกที่จะต้องไม่ถูกวิญญาณรังควานอีก ตอนที่เรากำลังฟังสิ่งที่เขาพูดอยู่นั้นก็รู้สึกเหมือนถูกผีเขา้าแต่เรามีสติทุกอย่างเพียงแต่ควบคุมร่างกายของตัวเองไม่ได้เราได้ยินเสียงเสียงหนึ่งซึ่งเป็นเสียงทุ้มใหญ่และดูโกรธมากพูดออกมาจากปากของเราตะคอกไปยังคนที่กำลังจะช่วยบอกทางแก้ให้กับเราทำให้คนคนนั้นตกใจกลัวและกำลังจะเดินหนีไป เราพยายามอ้าปากร้องเรียกคนคนนั้นแต่ก็ไม่มีเสียงออกมาสุดท้ายแล้วคนที่จะบอกทางแก้ให้กับเราก็เดินหายไปตอนนั้นเรากลัวมากหูเริ่มชาตาเริ่มเกรง็งเรานึกถึงแม่ขึ้นมาจึงพูดในใจว่าแม่ช่วยหนูด้วยแม่ช่วยหนูด้วยไม่นานนักร่างกายของเราก็กลับมาเป็นปกติ พร้อมกับสะดุ้งตื่นขึ้นมาร้องไห้อย่างหนักเราจึงปรึกษากันกับแฟนว่าคงจะอยู่ห้องนี้ต่อไปอีกไม่ได้แล้วแม้มันจะเป็นเพียงแค่ความฝันแต่เราก็รู้สึกว่ามันเหมือนจริงมากๆเรากับแฟนจึงเก็บข้าวของเท่าที่จำเป็นแล้วย้ายออกในคืนนั้นคิดว่าจะไปหาห้องเช่าที่อื่น เราค่อยกลับมาค้นของอีกทีถึงแม้ในคืนนั้นจะยังหาห้องใหม่ไม่ได้เรากับแฟนก็คิดว่าจะไปเช่าโรงแรมนอนก่อนเพราะคืนนี้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามจะไม่ขออยู่ในห้องพักผีดูนี้อีกต่อไปแล้วร่างทรงเทพ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ9้าปีที่แล้วตอนนั้นปุกอายุเก้าขวบส่วนพี่ลูกปลาเป็นญาติของปุกอายุ14ปีพวกเราสนิทกันมากเพราะอยู่บ้านหลังเดียวกันญาของปุกเป็นญาของพี่ลูกปลาด้วยทั้งญากับพี่ลูกปลาเป็นร่างทรงของเทพตามความเชื่อของคนดีสารเหมือนกันวันหนึ่งที่โรงเรียนไกลบานมีการจัดแข่งขันกีฬา นาชายก็พาพวกเราสามคนซึ่งมีพี่ลูกปลาปุกและน้องชายที่เป็นญาติอีกหนึ่งคนชื่อติก๊กเราพากันไปเที่ยวชมการแข่งขันกีฬาที่โรงเรียนพอไปถึงพวกเราทั้งหมดก็ตรงไปดูฟุตบอลเป็นกีฬาชนิดแรกจนถึงเวลาเที่ยงวันปุกกับติ๊กอยากเดินไปดูกีฬาชนิดอื่นบ้างส่วนพี่ลูกปลาจะขอดูบอลต่อ น้าชายจึงบอกพี่ลูกปลาว่าจะพาปุกกับติ๊กไปเดินเล่นแล้วจะซื้อข้าวกลับมาให้พี่ลูกปลาให้พี่ลูกปลานั่งรออยู่ตรงที่นั่งคนดูไปก่อนพอน้าชายปุกและติ๊กกลับมาก็เห็นพี่ลูกปลาหน้าซีดบอกกับน้าชายว่ายากกลับบ้านน้าชายจึงพาพวกเด็กๆซ้อนรถมอเตอร์ไซค์กลับพอถึงบ้านน้าชายก็จอดรถ นำขาตั้งลงแล้วเดินออกจากรถไปปุกกับติ๊กก็ลงรถแล้วเดินตามน้าชายไปติดๆส่วนพี่ลูกปลาที่ยังนั่งอยู่บนรถจูจูจ ก, ก็ตกรถล้มลงนอนบนพื้นในขณะที่ปุกกับติ๊กกำลังจะเข้าไปช่วยเธอก็ลุกขึ้นไม่พูดอะไรแล้วเดินไปนั่งที่แครจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนแล้วหลับไป พวกที่คอยมองอยู่ก็คิดว่าพี่ลูกปลาคงจะ ง, ง่วงมากจึงทำให้ตกรลดแต่เมื่อเห็นพี่ลูกปลาไม่เป็นอะไรแล้วจึงเดินเข้าบ้านไปโดยไม่คิดอะไรวันต่อมาพวกก็ได้ข่าวว่าพี่ลูกปลาเดินไม่ได้ญาติจึงพาพี่ลูกปลาไปโรงพยาบาลพอหมอตรวจแล้วก็ไม่พบสาเหตุอะไรจึงให้กลับบ้านไปดูอาการก่อน ยาของปุกที่เป็นร่างทรงเดินทางมารับพี่ลูกปลาเพื่อกลับไปรักษาที่บ้านต่างจังหวัดพี่ลูกปลาเล่าให้ยาฟังก่อนที่จะออกเดินทางว่าวันที่ไปดูบ่อนจูจ่ๆพี่ลูกปลาก็รู้สึกแปลกๆและเห็นเงาดําร่างใหญ่เดินผ่านไปสักพักก็ได้ยินเสียงลึกลับพูดออกมาเรียกพี่ลูกปลาให้ไปอยู่ด้วย เสียงนั้นเย็นยาเยือกและน่ากลัวมากทําให้พี่ลูกปลากลัวจนถึงกับหน้าซีดพอกลับมาถึงบ้านก็รู้สึกเหมือนมีอะไรพุ่งมาใส่ตัวจนพี่ลูกปลาเสียหลักตกลงมาจากรถหลังจากที่พี่ลูกปลาหลับไปตอนกลางคืนก็ฝันอีกว่ามีคนมายืนอยู่บริเวณต้นหางกระรอกที่หน้าบ้านคนคนนั้นมาบอกว่า ให้พี่ลูกปลาไปอยู่ด้วยกันเพราะตื่นเช้ามาพี่ลูกปลาก็เดินไม่ได้แล้วย่าบอกว่าสิ่งที่พุ่งมาใส่ตัวของพี่ลูกปลาคือลมเพลลมพัดใครที่โดนแบบนี้ห้ามไปนอนเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะเดินไม่ได้หลังจากที่พี่ลูกปลาไปรักษาตัวที่บ้านของญาในภาคอีสานพี่ลูกปลาก็มีอาการดีขึ้น จนสามารถเดินได้บ้างแล้ววันหนึ่งพี่ลูกปลาได้มีโอกาสไปคุยเล่นกับลุงชื่อพ่อเทพที่บ้านอยู่ไม่ห่างกันมากนักพ่อเทพก็เป็นร่างทรงเหมือนกันทั้งสองคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนพูดมึงพูดกูญาที่อยู่แถวนั้นพอเดินผ่านมาได้ยินจึงต่อว่าพี่ลูกปลาว่าทำไมคุยกับพ่อเทพแบบนี้ พี่ลูกปลาหันมามองยาสายตาขวางแต่ไม่พูดอะไรมันทำให้ยาแปลกใจมากว่าพี่ลูกปลาเป็นอะไรหลังจากวันนั้นเวลาผ่านไปไม่นานอาการของพี่ลูกปลาก็สุดลงเพราะพ่อเทพรู้ข่าวก็ได้มาหายาแล้วบอกว่าวันที่พี่ลูกปลาไปคุยกับพ่อเทพนั้นไม่ใช่พี่ลูกปลาแต่เป็นเทพที่อยู่ในตัวของเธอ ไม่รู้ว่าพี่ลูกปลาไปทำอะไรให้เทพโกรธจนถึงขั้นไม่ให้อภัยเพาย่าได้ยินพ่อเทพบอกอย่างนั้นจึงรีบทำพิธีขันห้าขันแปดนำไปให้พี่ลูกปลาเพื่อขอขมากับเทพในตัวแต่พี่ลูกปลาไม่ยอมรับย่าคิดว่าถ้าเทพไม่รับพี่ลูกปลาจะต้องตายแน่แนเวลาผ่านไป อาการของพี่ลูกปลาก็แย่ลงเรื่อยๆเธอต้องเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลอีกหลายครั้งจนสุดท้ายก็ต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพเมื่อหมอตรวจก็ตกใจมากที่พบว่าพี่ลูกปลาป่วยเป็นหลายโรคพร้อมๆกันอาการของเธอหนักขึ้นจนต้องนอนที่โรงพยาบาลและให้อาหารทางสายยาง โดยมีแม่ของพี่ลูกปลาคอยเฝ้าไข่แม่ของพี่ลูกปลาเฝ้าอยู่หลายวันจนคืนหนึ่งในขณะที่แม่ไปเข้าห้องน้ำพอเดินกลับมาก็เห็นหญิงชะาคนหนึ่งยืนอยู่ที่ปลายเตียงของพี่ลูกปลาหญิงชะาคนนั้นพูดออกมาว่าหมดเวลาของมึงแล้วไปด้วยกันแล้วหญิงชะาคนนั้นก็หายไป แม่แทบไม่อยากเชื่อสายตาของตัวเองรีบวิ่งเข้าไปดูอาการของพี่ลูกปลาแต่แล้วก็พบว่าพี่ลูกปลาไม่หายใจเธอจากไปเสียแล้วตอนเวลาเที่ยงคืนพอดีในคืนเดียวกันนั้นเองปุกที่นอนอยู่ที่บ้านก็รู้สึกว่ามีลมหายใจรดต้นคอของเธอพอรุ่งเชา้านาชายก็ได้บอกข่าวราย ว่าพี่ลูกปลาเสียแล้วเมื่อคืนนี้ปุกคิดว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่นอนบนเตียงของพี่ลูกปลาในบ้านพี่ลูกปลาคงมานอนกับเธอด้วยไม่นานทางญาติก็เตรียมการเพื่อจัดงานศพของพี่ลูกปลาในวันงานศพคืนแรกเหตุการณ์ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีแต่ในคืนที่สองกลับมีฝนตกกระหนำ่ำลมแรงจนข้าวของในงานปลวอน พอฝนและลมเริ่มสงบหลอดไฟนีออนที่ตั้งอยู่หลังโลงศพก็ตกลงมาเสียงดังทำให้คนในงานตกใจไปหลายคนแต่หน้าแปลกที่หลอดไฟนั้นกลับไม่แตกเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นทุกวันเหมือนกับว่าที่ลูกปลายังไม่พร้อมที่จะจากไปจนมาถึงวันที่ต้องเก็บเท่ากระดูขณะที่ปุ๊กยืนร่วมในพิธี ก็รู้สึกเวียนหัวและหนักเหมือนมีคนมาขี่คอความรู้สึกนี้ทำให้เธอนึกขึ้นได้ว่าช่วงที่พี่ลูกปลาเดินไม่ได้และก่อนที่พี่ลูกปลาจะป่วยหนักปุ๊กมักจะให้พี่ลูกปลาขี่หลังเวลาไปไหนมาไหนอยู่บ่อยๆเพราะพี่เดินไม่ค่อยได้ปุ๊กจึงคิดว่าคงเป็นพี่ลูกปลามาลาเธอก่อนจะไปสู่สุคติก็เป็นได้ สมภัสยอง